วันนี้เป็นวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อมีภาษาทะมีความเลื่อมใส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 มีหัวข้อว่านิวรคํคำว่านิวร น, นี้แปลว่าอุปสรรคที่กีดขวางการทำสมาธิเวลานั่งสมาธิถ้าเกิดนิวรขึ้นมาก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้ไม่สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ยังจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรู้จักวิธีกาจัดนิวรณเวลาที่มันเกิดขึ้นมาหรือป้องกันไม่ให้นิวรณปรากฏขึ้นมา <c oughs> เราจำเป็นจะต้องศึกษาวิธีต่างๆถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วทำจิตใจของเราให้สงบให้เกิดผลขึ้นมาได้เราต้องศึกษาเรื่องนิวรณที่มีอยู่ห้าชนิดด้วยกัน นเรียกว่านิวรห้าชนิดที่หนึ่งก็คือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถนำเราไปใช้แล้วทําให้เกิดผลขึ้นมาได้หรือไม่นั่งสมาธิแล้วทําให้จิตสงบ ให้เกิดความสุขขึ้นมาได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทำให้เราไม่มั่นใจถ้าเรายังสงสัยเรื่องของพระพุทธเจ้าก็ดีเรื่องของพระธรรมคาสอนก็ดีเรื่องของพระอริยสงสารุกก็ดีเราก็จะไม่มีความมั่นใจในเวลาที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนกลัว ว, ว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผล ก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นเพื่อกำจัดความลังเลสงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดวันฟังธรรมขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้กับพุทธศาสนิกชนผู้ที่ยังอาจจะ ไม่มีศรัทธาความเลื่อมใสจะได้มีศรัทธาความเลื่อมใสและถ้าผู้ที่มีศรัทธาความเลื่อมใสแล้วก็จะได้เสริมศรัทธาความเลื่อมใสให้มีความแก่กล้ามากขึ้นไปตามลาดับก <c oughs> ารฟังเทศ ท, งทังธรรมวิการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆนี้จะทำให้ทาจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้ ถ้าเราสงสัยในธรรมข้อไหนสมัยนี้เราก็มีเครื่องม้เครื่องมือในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้เรามีโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถค้นหาธรรมะต่างๆที่เราสงสัยได้เช่นว่ารมาธิเป็นอย่างไรวิธีนั่งสมาธินั่งอย่างไรเป็นต้นก็จะมีคำตอบให้เรา เมื่อเราได้รับคําตอบเราก็จะมีความมั่นใจเราก็จะได้ทุ่มเทเวลาและจิตใจของเราให้กับการปฏิบัติเพราะว่าจะมีผู้ที่เขาได้ประสบความสําเร็จมาแล้วจากการนั่งสมาธิเช่นพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นต้นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าพระสุ ป, ปฏิปันโน ถ้าเหล่านี้ท่านก็ได้ผ่านมาแล้วท่านได้ปฏิบัติมาแล้วและท่านก็ได้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกที่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ปฏิบัติจะได้รู้จะได้ปฏิบัติกันต่อไปได้นี่คือนิวรข้อที่หนึ่งปุพระศที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือยังไม่นั่งสมาธิถ้าเรามี ความลังเลสงสัยมันก็ยากจะทำให้เราไม่อยากจะนั่งสมาธิขึ้นมาก็ดานั่งไปแล้วกลัวเสียเวลาเปล่าๆนั่งแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วความรู้เกี่ยวกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะขยายกว้างออกไปจะทาให้ความสงสัยต่างๆ ที่อาจจะมีภายในใจของเรานี้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือนิวรณข้อที่หนึ่งความนลงเลสงสัยภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิจิกิจฉาเอาบาปแปลเป็นภาษาไทายง่ายๆฟังให้เข้าใจคือความสงสัยความไม่มั่นใจในพระพุทธธรรมประสง์นี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองก็คือกามัฉันทะคือความอยากเสพลูกเสียงกินก่นรสดยู่เรื่อยๆอยากดูหนังฟังเพลงอยากกินอยากดื่ม อ, อะไรต่างๆอยากดูอยากฟังมหัรรยบันเทิงต่างๆอยากไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคังอยากเหล่านี้มันจะทำให้ไม่มีกจิตกาใจที่จะนั่งสมาธิถ้าเวลานั่งแล้เกิน คิ้วอยากจะกินอะไรขึ้นมาอยากจะดื่มอะไรขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้วิธีที่จะแก้าการมาฉันทะนั้นวิธีหนึ่งก็คือการรักษาสินต่ายคือการปฏิบัติเนคข ม, มาสินต่ายก็จะห้ามไม่ให้เราไปเสพกามในรูปแบบต่างๆเช่นไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใคร ไม่ให้เรารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วทั้งอาหารและเครื่องดืง่มที่มีรูปเสียงรูปเสียงกินรสต่างๆก็ไม่ให้เนือไม่ให้ดื่มไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าหิวน้ําก็ให้ดื่มน้ําเปล่าไปอย่าดื่มน้ําที่มีรสชาติเพราะนี่มันเป็นการเสพกามเสเพลิ้เสเพรสรสของ ของเครื่องดื่มร่างกายไม่ต้องการรสชาติต้องกายต้องการน้ำเปล่าเราดื่มน้ำเราดื่มเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เราไม่ได้ดื่มเพื่อให้กิเลสคือการมาฉันทะนี่จเจริญเติบโตเพราะว่ามันจะมันจะมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิกันก็<อ>ถือศีลข้อหกไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแต่แล้ว แล้วก็มาถือสิงท้อเจ็ดก็คือไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตริศดารด้วยน้ำมันน้ำหอมด้วยการทำเเผาทำผมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการมานั่งสมาธิเพราะถ้าเกิดความอยางเหล่านี้แล้วก็จะทนไม่ไหว แทนที่จะมานั่งสมาธิก็จะไปดูหนังฟังเพลงแทนแต่ถ้าเรามาถือศีลแปกันเราก็จะรู้ว่าออวันนี้เราทำไม่ได้นะเช่นวันพระนี่พระเจ้าทรงสอนให้ศรัทธายาดอยู่เข้าวัดเข้าว่ากันเรามาถือศีลแปกันวันธรรมดาก็ถือศีลห้าไปก่อนพอามาถึงวันพระก็มาถือศีลแปดมาละการเสกการมา มังับการมาฉันทะความอยากจะเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลามาให้กับการนั่งสมาธิมีเวลามาให้กับการฟังเทศสังธรรมเพื่อจเจริญปัญญาเละิญวิปัสสนาตามลำดับต่อไปได้ถ้าเราไม่ถือสินใจนี้เราก็จะไม่มีกำลังที่จะต้านการ ม, มาฉันทะความอยากจะเสดกามได้ เพราะว่าสือเพยงสินห้านี้สินห้าไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเสพลูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสินห้านุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตมได้ให้ดูหนังฟังเพลงได้ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆได้ให้ไปเที่ยวตาม ท, ที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ให้เสริมสวยความงามทางร่างกายได้แล้วก็ให้นอน4ชั่วโมงก็ได้ แต่ถ้าถือสิ่งแปดนี้ให้นอนประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงก็พอเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเราไม่ต้องการนอนเพื่อตอบสนองกามาฉันทะความอยากหาความสุขจากการนอนบนที่นอนที่นุ่ทนมที่สบายจึยงต้องถือสิ่ข้อแปดคือไม่นอนบนฟูกหนานาไม่นอนบนเตียงสำลาญที่ให้ความสุขความสบายมากเกินเกินไป ให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อถ้านอนแบบนี้พอร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพ้ามันนอนไม่สบายไม่เหมือนกับนอนบนเตียงที่มีผุ่งหนาะเป็นตน้นนี่คือวิธีการที่เราจะใช้ในการต่อต้านหรือป้องกันไม่ให้การมาฉันทาเกิดขึ้น ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสญาติโยมที่มาอยู่วัดกันส่วนใหญ่สมัยนี้เขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวการนุ่งขาวห่มขาวนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ผู้ที่ต้องการต่อสู้หรือป้องปรามการมฉันทะความอยากเสพเรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะที่ถือศีลถ้านุ่งขาวห่มขาวนี้ก็แสดงว่าถือศีลแปถือศีลพรหมจรรย์ ไม่ร่วมเพศกับใครไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆจะได้มีเวลามาให้กับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบมีเวลามาให้กับการเดินจงกรมมีเวลามาให้กับการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นนี่คือนิวร์ข้อที่สองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักป้องรามไว้ก่อน ป้องกันไว้ก่อนแล้วถือศีลแปดวันไหนเราอยากจะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบนั่งสมาธิอย่างเต็มรูปแบบนะโดยปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเดินจนกงกรมนั่งสมาธิรังเสดสังธรรมสลับกันไปนะการที่เราจะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอุปสรรคเราก็ต้องถือศีลแปดกันเรียกว่าปฏิบัติเนคขมมะขมมะเนคขมมะนี้แปลว่าการออกจากการ เสบรูปเสียงกิ่นล่นการการออกจากการเสกการมผู้ที่ต้องการที่จะฝึกสมาธิทําใจให้สงบนั้นจําเป็นจะต้องละความสุขของการเสกการมเพื่อที่จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือความสุขที่ได้เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอ่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าอยากจะได้สุขที่เกิดจากความสงบก็ต้องละความสุข นิดหยาคือความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเอง uh huh. นี่ก็คือมิวร์ข้อที่สองที่มักจะเกิดขึ้น uh huh. กับผู้ที่ปฏิบัติ uh huh. อยากจะนั่งสมาธิแต่ไม่อยากจะอดข้าวเย็นอย่างนี้ uh huh. ก็จะก็จะเจอปัญหาต่างๆอย่าง uh huh. อยากจะดูหนังฟังเพลงอยู่ uh huh. แต่อยากนั่งสมาธิด้วย มันก็จะขัดกันเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราต้องการสุขจากการเสพกามเราก็ไปเสพกามถือศีลห้าก็พอแต่เราจะไม่ได้สมาธิเราจะไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามนี่คือนิวรณ์ข้อที่2การมาฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส ข้อที่สาคือความโกรธความโกรธบางครั้งบางเวลาเราไปนึกถึงคนนั้นคนนี้ที่ทำให้เราโกรธความโกรธมันก็จะ ผ, ผุดขึ้นมาได้พอเกิดความโกรธขึ้นมาในใจแล้วนี่มันจะทำให้ยากต่อการมานั่งสมาธิทำใจให้ใหสงบได้เพราะมันอยากเวลาโกรธแล้วมันก็อยากจะอาฆาตพยาบาท อยากจะจองเวรจองกรรมร้างแค้นกันก็จะไม่มีสติสตังที่จะอยู่กับการนั่งสมาธิได้วิธีที่จะละ ง, บ<ม>ลงับความโกรธก็คือให้ใช้ความเมตตาให้แผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เราโกรธเราโกรธใครตอนนั้นเราก็ต้องใช้ความเมตตาให้อภัยกันถ้าเราอยากจะละงับความโกรธ ทำใจเราให้หายโกรธทำใจให้เรากลับมาเป็นปกติเพราะที่เราจะได้มาทำสมาธิได้เราก็ต้องให้อภัยกันอย่าจองเวรจองกรรมกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวรย่อมไม่ละ ง, งับด้วยการจองเวรเวรย่อมละนับด้วยการไม่จองเวรถ้าไม่อยากไม่มีถ้าไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อกันก็อย่าจองเวรจองกรรมกัน เพราะการจองเวรจองกรรมกันมันจะทำให้มีการจองเวรกันไปเรื่อยๆเขาว่าเราเราก็ไปว่าเขาพอเราไปว่าเขาเขาก็าว่าเขาก็มาตีเราพอมาตีเราเราก็ตีกลับเราก็ไปตีกลับไปเขาก็ดีไม่ดีมโหร้ายเขาก็อาจจะฆ่าเราก็ได้หรือเราอาจจะฆ่าเขาก็ได้เราจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้น mm hmm. มาจองเวรจองกรรมกันข้ามพบข้ามชาติกัน ครเกิดที่ไหนเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะอาฆาตทบากนันทันทีแต่ถ้าเราให้อาภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมกันได้เรื่องก็จะจบต่างฝ่ายก็ต่างแยกกันไปหรืออยู่ด้วยกันอย่างสงบต่างฝ่ายก็ต่างไม่มีการจองเวรจองกรรมกันใจก็จะสงบกลับมาเป็นปกติเวลานั่งสมาธิก็นั่งได้อย่างสบายวิธีที่จะระงับ ความโกรธนอกจากการแผ่เมตตาแล้วก็ใช้การใช้การเจริญสติบริกรรมพุทโธไปก็ได้เวลาที่เราเกจดความโกรธขึ้นมาเราก็พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธหรือบุคคลที่ทําให้เราโกรธพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นไม่คิดถึงคนนั้นอยู่กับพุทโธพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องนั้นไปลืมคนนั้นไป ความโกรธก็จะหายไปอนนี้ใช้สติอุบายแห่งสติแต่อุบายสตินี้มันจะเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเราเผลอกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกคนนั้นอีกก็จะโกรธเขาอีกได้แต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้แล้วเราก็จะไม่โกรธเขาอีกต่อไปถือว่าเป็นการใช้นี่เก่าไปก็แล้วกันเราต่างฝ่ายต่างอาจจะมีนี่มีศีลกัน พอมาเจอกันทบในชาตินี้ก็เลยต้องมีเรื่องมีราวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวต่อไปในอนาคตก็ให้อภัยกันไปอะไรมันก็ผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เราจะไปทุกข์กับเหตุการณ์ในในอดีตทำไมเราต้องอยู่ในปัจจุบันกาอยู่ปัจจุบันก็ต้องอยู่แบบรือดีต แล้วก็ยอมรับว่าอดีตเป็นสิ่งที่เรากลับไปแก้ไม่ได้แล้ว mm hmm. เราถ้าเราไปจองเวรจองกรรมกันเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเปล่าๆ mm hmm. พอเราให้อภัยได้ใจเราก็เย็นใจเราก็จะสงบแล้ววิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นมาในอนาคตก็คือการทำใจให้เป็นสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิด เรายินดีตามมีตามเกิดแล้วไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นจากคนนี้อยากให้เขาทําอย่างนั้นอยากให้เขาทาอย่างนี้เราปล่อยให้เขาทําไปตามเรื่องของเขาเรายินดีรับกับการกระทําของเขาในทุกรูปแบบ <im itation> เขาจะดีกับเราก็ได้เขาจะร้ายกับเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราไม่มีความผูกพันไม่มีความผูกมัดว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้ต้องดีกับเราอย่างนี้เป็ตนต้น ถ้าเกิดเขาไม่ทำตามที่เราอยากแล้วเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจแล้วเราก็จะโกรธขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำใจให้เป็นยินดีตามมีตามเกิดดีก็ได้ร้ายก็ได้ชมก็ได้ด่าก็ได้รักก็ได้ชังก็ได้แล้วแต่เขาเราไปห้ามเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เราไปสั่งให้ฝนตกแดดออกไม่ได้วันนี้ฝน ผลไม่ตกเราจะสั่งให้มันตกมันก็ไม่ก็ไม่ได้พรุ่งนี้ฝนอาจจะตกเราจะสั่งให้มันหยุดแล้วก็สั่งมันไม่ได้แต่เราไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะทําอะไรได้ทันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้คนต่างๆในโลกนี้ก็เหมือนดินฟ้าอากาศดีๆนีเ่เป็นอนาัตตาเหมือกับดินฟ้าอากาศไม่มีตัวตนเป็นมีแต่เหตุ ป, ปัจจัยที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ วันนี้มีเหตุปัจจัยทำให้เขาดีเขาก็ดีขึ้นมาพรุ่งนี้เขามีเหตุดีปัจจัยที่ทำให้เขาไม่ดีขึ้นมาเขาก็ไม่ดีขึ้นมาเราก็ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถทำใจเราไม่ให้เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของเขาได้เขาดีก็ก็รู้ว่าเขาดีไปเขาไม่ดีก็รู้ว่าเขาไม่ดีไปเท่านั้นเองเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่โกรธจะไม่เสียใจ นี่คือวิธีแก้นิวรตัวที่สามคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทต้องให้อภัยกันแผ่เมตตาด้วยการให้อภัยหรือใช้สติบรกิกรรมพุโทโธพุธโทโธในขณะที่โกรธแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งความโกรธก็จะหายไปแต่ถ้าเราเพลอสติไปคิด ก, ก็อาจจะโกรธขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้หายโกรธอย่างถาวรก็ต้องให้อภัยกันอย่าจองเวรจองกรรมกัน หรือว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าแก้วแตกมันก็แตกแล้วจะเอากลับมาให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วต้องยอมรับความจริงอันนี้แล้วใจล้วก็จะได้ให้อภัยกันได้<ม>ข้อที่สี่ก็คือความว่งเหงาเหงานอนนิวรณข้อที่สี่คือความว่งเหงาเหงานอนนั่งสมาธิมักจะนั่งสับประงกนั่งคอพับกันอันนี้ก็เป็นเพราะว่ารับประทานอาหารมากเกินไป ถึงแม้จะถือสินแปลแล้วบางทีก็ยังนั่งสับประงบได้ถ้าถือสินแปกินสองมื้อยังยังนั่งสับประงบได้อยู่ก็อาจจะต้องลดการบริโภคอาหารให้น้อยลงเช่นกินมื้อเดียวพระพุทธเจ้าทรงสอนภาคทุดงให้ถือข้อกินอาหารมื้อเดียววันต่อวันละหนึ่งครั้งก็พอไม่ต้องรอให้ถึงเที่ยงวันกินแค่ตอนเช้าเนี่ยกินมื้อเดียวเสร็จก็จบ หลังจากกินเสร็จแล้วก็จะไม่กินอาหารอีกต่อไปสาหรับวันนั้นลดปริมาณการบริโภคอาหารลงแล้วมันจะทําให้ความง่วงเหงาหานอนนี่หายไปได้ถ้าลดแล้วยังไม่หายก็ต้องลดอีกเช่นเรากินเมื่อเดียวมันยังง่วงอีกก็อดไปทั้งวันเลยก็ได้อดวันอดวันเว้นวันก็ได้วันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินลดการกินอาหารลงไปเรื่อยๆแล้ว เวลามันหิวมันจะไม่ง่วงนั่งสมาธินี่มันจะไม่หลับไม่สบงบคนที่ต้องการปฏิบัติธรรมต้องการลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนี้ต้องกล้าลงทุนการลงทุนก็คือการยอมเจ็บเจ็บกายเพื่อให้เราได้ความสงบทางใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความสุขทางกายเจ็บกายก็เป็นเจ็บแค่เพียงช่วครั้งช่วคราวช่ว ง, ง, ง, ง, งที่เราถูกฝนอบลมเท่านั้นเอง พอเราทําใจให้สงบได้แล้วเราก็กลับมากินตามปกติได้ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปอถ้าเรามีอาการง่วงเราเอานอนวิธีหนึ่งก็แก้ด้วยการลดการรับประทานอาหารลงไปตามลําดับใครกินสามือ้อก็ลดเหลือสองมือ้อใครกินสองมือ้อก็ลดเหลือมื้อเดียวใครกินมื้อเดียวก็ก็เว้นไปเลยวันนั้นไม่ต้องกินทั้งวันหนึ่งเป็นต้นเ้ารับประกันได้ว่าความง่วงนอนนี้ก็จะหายไปได้แล้อีกวิธีหนึ่ง ที่จะแก้ความ่วงนอนก็คือให้ไปอยู่ที่หน้ากลัวเวลานั่งสมาธิไปนั่งตามสถานที่หน้ากลัวตามป่าเปลยวตามป่าช้าอย่างนี้ถ้าไปนั่งอยู่ในที่นั้นแล้วรับประกรันได้ไม่ง่วงเพราะมันจะตื่นระมัดระวังตัวตลอดเวลาว่ามีใคย ร, รอบด้านหรือเปล่ามีอะไรจะมาทาร้ายเรานึอเปล่าเป็นต้นแล้วความ่วงนอนก็จะไม่มี ผู้พาปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านมักจะชอบไปหาที่เปลี่ยวๆอยู่กันไปนั่งปฏิบัติตามป่าช้าบ้างไปนั่งตามตามป่าเขาบ้างบางองค์ที่ชอบสปปงบบางทีก็ไปนั่งที่หน้าผาเลยก็มีถ้านั่งหน้าผาแล้วไม่สปปงบเพราะถ้าสปปงบโหก็ทิ่มตกลงผาเลยอันี้คือความเด่นเดียวของนักปฏิบัติธรรมถ้าต้องการทำมันเลิศอันเลิศอันประเสริฐนี้ต้องกล้าลงทน ต้องก้าที่จะสู้กับความทุกข์ยากลําลบากต่างๆถึงจะสามารถทรําจิตใจให้สงบให้สัมผัสกับความสงบที่เป็นลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงได้แล้วนิวรณ์ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือความฟุ้งซ่านบางทีคิดอยู่นั่นนะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนีน้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้น เ, นเวลามานั่งสมาธิใจก็ไม่อยู่กับลมไม่อยู่กับพุโทโธเลยเพราะ คิดอยู่นั่นนะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้ น, น, นคิดถึงเรื่อง น, นี้นี่แสดงว่าไม่เป็นอาการที่ไม่มีสติไม่ฝึกสติจึงต้องใช้การฝึกสตินี้มาเป็นเครื่องแก้ความคิดท่องสร้างต่างๆเพืออย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปืี่ยถึงแม้เราไม่ได้นั่งสมาธิก็ตามในระหว่างวันที่เราตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้ท่านสอนให้เราจเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยให้ตั้งสติก่อน จะใช้พุทโธเป็นการตั้งสติก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโ ธ, ทธไปนอกจากที่นอนไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปแต่งเน้าแต่ตัวรับประทานอาหารก็ให้มีพุทธโธกำกับใจอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไปก็ได้ร่างกายทําอะไรใจก็อยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่สนใจไปคิดถึงอดีตไม่สนใจไปคิดถึงอนาคต ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันถ้าเราฝึกสติแบบนี้ได้รับประการว่าความฟุ้งซ่านนี้จะไม่จะไม่เกิดขึ้นเลยเวลานั่งสมาธิก็สามารถทําให้อยู่ให้นั่งให้ดูลมมันก็จะดูลมไปเรื่อยๆให้บริกรรมพุทโธมันก็จะบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก็สามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้อย่างนี้คือ ปูประสาทที่ขวางการการการทำสมาธิซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติด้วยกันทุกคนแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะบางโอกาสก็อาจจะเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาบางโอกาสก็เกิดการมาฉันทะอยากไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรบางโอกาสก็เกิดความโกรธขึ้นมาบางโอกาสบางโอกาสก็เกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นมา บางโอกาสก็เกิดความพุ้งท่านต่างๆขึ้นมามีเป็นนิวรณ์อุปสรรคที่เราจะต้องรู้จักวิธีกําจัดแล้วรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดถ้าเราถ้ามันเกิดเราต้องรู้จักวิธีหยุดมันให้ได้ถ้ามันไม่เกิดเราว่าพยายามป้องกันเอาไว้ก่อนอย่าให้มันเกิดขึ้นมาการปฏิบัติธรรมของเราก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นได้ผลไ ด, ได้ได้ประโยชน์ เป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่สามารถกำจัดนิวรณ์ได้เราก็อย่าไปหวังความเจริญก้าวหน้าเลยการปฏิบัตินั่งสมาธิเลยเพราะมันยังไม่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นิวรณ์การรู้จักวิธีกำจัดนิวรณ์การรู้จักนิวรณ์ทั้งห้านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้ที่ต้องการทำใจให้สงบจะ ต, ต้องรู้จักนิวรณ์ทั้งห้าห้านี้ รู้จักวิธีป้องกันรู้จักวิธีกําจัดเมืนเวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะได้แก้าวหน้าไปอย่างราบเรื่อยไปได้อย่างอย่างรวดเร็วอย่างง่ายดายนี้ก็คือธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภุปสรรคที่เกี่ยวกับการเจริญทางธรรมนิวรทั้ง5ข้อข้อที่หนึ่งคือความลังเลสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงค์ ต้องศึกษาต้องไปต้องศึกษาฟังเทศสังธรรมอยู่เรื่อยอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยแล้วความฟังเรศสองสายต่างๆก็จะหายไปการมาถามท้าก็ต้องหัดถือศีลแปจังปฏิบัติเมฆธรรมะละเว้นการหาความจกจากทางการเสพรูปเสียงกลิ่นรสความตัวก็ให้ใช้พระการแผ่เมตตาให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมแล้วก็ความง่วงเหงาเหานอนก็ให้ลดการบริเลมพกอาหารลง ให้รับประทาอาหารพอประมาณให้กินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินอย่า ก, กินตามความอยากกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วก็ให้หมันเจริญสติเรื่อยเพื่พอป้องกันความทุ้งท่างถ้าเราขยันเจริญสติใจเราจะไม่ค่อยคิดมากใจเราจะเย็นใจเราจะนิ่งทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิพอมานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดายแล้วดเร็ว นี่คือเรื่องของนิวรณ์หาประการที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะอีกประมาณ30นาทีต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติมานั่งสมาธิกันมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบการปฏิบัติธรรมนี้มีสองชนิดนั่งสมาธิกับการจเจริญปัญญา การปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติพร้อมกันต้องปฏิบัติแยกกันต้องฝึกสมาธิก่อนแล้วถึงไปทางปัญญาได้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาอย่าเพิ่งไปทิจรณาอะไรต่างๆเบืงอตอนนี้พยายามทำใจให้นิ่งให้สงบให้รวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนให้จิตนิวเบคาเพราะอุเบคาเนี้จะเป็นพลังของจิตที่จะเอาไปใช้ต่อสู้กับกิลเลสเวลาที่จเจริญปัญญาแล้ว ปัญญาจิตที่บอกว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกิเลสปัญหาต่างๆพอรู้ว่เป็นกิเลสปัญหาก็สามารถหยุดมันได้ถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขานีจะหยุดกิเลสปัญหาไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญาบอกว่าเนความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากแต่เราจะไม่สามารถหยุดความอยากได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจรึงจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนมาฝึกสมาธิกันก่อน เวลาสุขสมาธิเราไม่ต้องการรู้อะไรไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบให้ว่างให้เย็นให้สบายวิธีที่จะทําให้ใจนิ่งสงบให้เย็นให้สบายเราต้องมีสติลำเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆไม่ให้ลอยไปกับสิ่งที่ปรากฏในทางที่นั่งสมาธิเรามีสติเราเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเช่นเราเลิกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธ หนึ่เราเลีล้ยอยู่กับการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นต้นหนึ่งใครยังดูลมไม่ได้ยังพูดโธไม่ได้ใจยังคุ้งยังคิดอยู่ก็ใช้การสวดมนต์มาช่วยทําให้ใจหายคุ้งซ่างก่อนก็ได้ใช้บทสวดมนต์ไหนก็ได้ที่เราจําได้ดไสวไ ด, สดไปเรื่อยๆบทสั้นบทยาวก็ได้แต่ข้อสําคัญคือให้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าใจหายคุงแล้ว สามารถกลับมาดูลมได้หรือสามารถบริกรรมพุทโธได้เราก็าหยุด่วดแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหรือมาบริกรรมพุทโธการดูลมหรือการบริกรรมพุทโธนี้จะทำแยกกันก็ได้หรือจะทำรวมกันก็ได้การทำแยกกันก็คือบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องลมเลยหรือดูลมอย่างเดียวไม่สนใจกับคำบริกรรมพุทโธเลยหรือจะทำทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้ คือดูลมหายใจเข้าก็พุทธเข้าโทออกไปก็ได้แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติหรือจะใช้วิธีใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้กรรมฐานที่เอามาขณนีท่านในขณะ น, นี้ถ้าท่านเคยใช้ลูกแก้วเทงดูลูกแก้วหรือใช้การสวดสัมมาอาลังหรือสวดบทบทไหนก็ตามที่ทําให้ใจนิ่งให้สงบได้ก็สามารถใช้การ ให้กรรมฐานแบบนั้นได้เลยแต่ข้อสำคัญเวลานั่งต้องให้มีสติอยู่กับกรรมฐานอย่าทิ้งกรรมฐานเวลามีอะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจมีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปไเรื่อยๆแล้วสิ่งต่างๆที่แทรกเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้ถ้ า, าอยู่กับกรรมฐานไปได้สักระยะนึงใจก็จะเิ่งใจก็จะรวมเข้าสู่กางขน พอสงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความนิม่งกับความสบายขึ้นมาตอนนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องดูลมไม่ต้องคุยโถให้อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขนั้นไปด้วยสติไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกาลังแล้วก็จะค่อยถอนออกมาอันนี้คือวิธีการนั่งสมาธิเราต้องการความสงบต้องการความสุขจากการนั่งสมาธิต้องการอุเบกา เราไม่ต้องการความรู้ตอนนี้ยังไม่ต้องการความรู้เกิดดับอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ต้องการให้ใจนิ่งให้สงบเพียงอย่างเดียวอย่าอย่าไปสนใจเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปพิจารณาว่าเกิดดับอะไรเป็นต้นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ต้องไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่กรรมาฐานของเราไปเรื่อยๆแล้าจากวันนี้เราจะมานั่งสมาธิกันประมาณยี่สิบหกนาทีด้วยกันเอเวลา สำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อคราวต่อไปเวลามานั่งใหม่ก็จะได้ใช้วิธีนี้ได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบเพราะความอยากมันจะสงบเพราะวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้และต่อไปถ้านั่งแล้ว ย, ยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อย ภาวนาหมันจเจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวันแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายและได้นานแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาววะหาปุราปิริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุ ป, ปกัปติ เอชิตังปาชิตังตุมหังคิปะเมวะสะเมชะโตสะเพปเลนโตสังกปะจันโทปนะราโสยะามะนิโตติราโสยะาสะพิทิโยวิวัจจันโตสะพารโควินัสตุ มาเตพวัตวันตาลาโยสุขิติคาโยโกภวะอาภีวาธนสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารูธัมมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลาง ช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคาถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้คำตอบเพราะว่าถ้าเลิกจากนี้ไปแล้วจะไม่สะดวกดนั้นถ้าอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ก่อนจะไปทางท่านที่ถามคำถามเป็นภาษาไทยก็ขอไปทางชาวต่างชาติก่อนวันนี้ วันนี้มีชาวต่างชาติมาอยากจะถามคำถามก็เดี๋ยวจะให้เขาถามก่อนวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เพื่นพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมาน่ากุติจากทาง Facebook พระจารย์สุชาติ246ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 294 YouTube Dr. V 48วิทยุออนไลน์2ครับ House 1น่ากุติ180รวมทั้งหมด771ท่านค่ะสัญญาณโยมค่ะอยากจะถามไหม <c oughs> มีคำถามวันนี้เป็นภาษาไทยแล้วถ้าไม่มีเอาที่ส่งเข้ามาก่อนก็ได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวที่ทําให้เห็นโทษในกรรมแล้วปล่อยวางได้มองเห็นกระแสที่เกิดจากกรรมนั้นไม่ได้เกิดจากกายเนื้อแต่เป็นกระแสที่เกิดจากภายในใจของตัวเองเหมือนมีสายโยงเกี่ยวมาถึงกับกายเนื้อนั้นคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกัน คำถามสักทางอินบ็อกซ์ค่ะผมชื่อแนราวุธขอกราบนมัส ก, การนักเรียนถามครับเพราะผมอยู่ปราจีนอายุ74เจ็บป่วยขาไม่ค่อยมีแรงร่างกายและเครื่องในเสื่อมเนื่องจากกินยาสู้โรคเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ30บ้านปลาย70ต้นๆพบอาการไตกินน้ำได้ครึ่งลิตลรต่อวันเท่านั้น10ปีที่ผ่านมาใส่บทหน้าบ้านสม่าเสมอ ผมรู้สึกว่าพ่อชอบใส่บาเลี้ยงอาหารมากกว่าบริจาคทานแบบวิหารวิหารละทานธรรมทานกลับถามหลวงพ่อว่าพอจะมีวิธีส่งบุญอุทิศบุญกุศลที่ผมสวดมนต์แบบสั้นๆหลายจบในทุกๆวันรักษาศีลห้าและทําใจทําสิ่งที่เป็นกุศลทุกอย่างส่งผลให้เจ้ากรรมในเวรและตัวจิตของคุณพ่อได้อย่างไรบร้างครับาการจะส่งบุญนี้ต้องส่งบุญด้วยการทําทานทําบุญใส่บาตถาวายสังฆทานอะไรต่างๆเหล่านี้ วิธีการปฏิบัติธรรมนี้ไม่สามารถส่งบุญไปได้คำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะเคยได้ยินเคยได้รับฟังเด็กๆที่สนทนธรรมกับพระอาจารย์ผ่านทางออนไลน์จะขอคำแนะนำการเริ่มจูงใจให้ลูกหลานในบ้านฝึกสติสมาธิควรเริ่มอย่างไรดีเจ้าคะก็ให้เขาทามตามเราให้พาเขาสวนมนต์ไหว้พระทุกวันก่อนนอนเป็นต้นไปก่อน แล้วก็ชวนเขามาฟังเทศฟังธรรมพามาวัดก็ได้เนี่ยที่นี่ก็มีบิดาพาเด็กๆมามานั่งฟังสมามานั่งฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิไปทําเป็นทำกิจ ก, ร, กรรมร่วมกันเราอย่าไปสอนเขาแล้วเราไม่ทํางนี้เขาก็จะไม่ทําแต่ถ้าเราทําแล้วเขาก็ทําตามเราดังนั้นควจะทําทเป็นกิจกรรมร่วมกัน คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการระ ง, งับความหลงตัวเองคือการระลึกถึงความตายหรือมรณารู้สติถูกต้องไหมเจ้าคะก็เป็นส่วนหนึ่งคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะยมรู้สึกว่าพระพุทธค่ะทุค่ะคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะถ้าเรามองว่าทุกๆอย่างเดินทางไปสู่การเสื่อมและสลายเราจะรู้สึกขนหู่กันไปไหมเจ้าคะ ถ้าโ ห, หัวก็แสดงว่าจิตเรายังไม่สงบพอที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ต้องไปฝึกสมาธิให้ใจมีความสงบมีความเข้มแข็งก่อนแล้วต่อจากนั้นเวลาเราพิจารณาเรื่องความตายนี้จะไม่รู้สึกโคดหูใจคำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายเราจึงควรมีเมตตากับผู้คนที่พบเห็นถูกต้องไหมเจ้าคะก็ควรจะมีเมตตา เพราะว่าจะตายไม่ตายแเวว้าก็คนจะมีเมตตาต่อกันอยู่ดีเราไม่เกี่ยวแลยว่าเราตายหรือไม่ตายถึงแม้เราไม่ตายแเวว้าก็คนจะมีความเมตตาต่อกันวันล้มั่งคำถามวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนะเวลามันหมดพอดีก็ต้องขออาภัยด้วยที่แบ่ง เ, เวลาให้น้อยมากสาหรับวันนี้แต่เวลามันหมดก็ขอเอาเท่านี้ก่อน